โทสัจจริตกสินอื่นๆนอกนั้นเหมาะกับทุกจริตขีดขั้นความสําเร็จของกสินทั้งหมดสามารถได้ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตฌานอสุภสิตเหมาะกับราคะจริตมีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิและปฐมฌานพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติเหมาะกับศรัทธาจริตอุปสมานุสติและมรณะสติเหมาะกับพุท ธ, ธิจริตอนุสติทั้งแปดดังกล่าวมานี้มีขีดขั้นความสาเร็จคือสามารถได้เพียงอุปจาระสมาธิกายคตาสติเหมาะกับราคะจริตมีขีดขั้นความสาเร็จคือสามารถได้ปฏิภาคนิมิต